ถ้าไม่มีน้ําดับคำว่าน้ําก็ได้เกิดสีน้ำทำเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนถ่ายใน้อยคือี่เลนี้ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําศีน้ำทำเข้ามาชั่งล้างเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไว้ที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากา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 ไม่มีสีมีทำอยู่ประจขาขณะจิตนั่นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลกไม่เอามาเทียบเทียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทาขึ้นใหม่เราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอาสิานจัอัจจับทว่าทําแล้วไม่เกิปดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบ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 เราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราพัฒกับที่เป็นศูนย์จกกับพัฒกับก็ว่ากับที่จเจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในใจิตใจเป็นพัฒกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญมุ่งหวนอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนา